ม่เขา้าพรรษามาก็เข้าอาทิตย์ <S <S เป็นวันพระที่สามแล้วเนี่ยแต่วันพระที่ผ่านมาผมก็ติดธุระอะไรก็ไม่ทราบไม่รู้หลายเรื่องหลายอย่างก็ไม่ได้ไปชุมเห็นว่าว่างวันนี้ก็มนเรียกหมู่ไปชุมการประชุมคือการเนะแ น, แนวทางอย่างการปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจตภาวนาเนี่ยนะแต่ถึงจะพูดยังไงไปก็อยู่ในแถวแนวอันเดียวกันแต่บางครั้งอาจจะมีส่วนปีกแวะปีกย่อยเป็นสิ่งที่ให้สานึกให้นึกคิดที่หมู่พวกหมู่ที่เข้ามาใหม่ยังไม่รู้จักแถวแนวแห่งการ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 ที่เราทําระยะสั้นหรือระยะยาวระยะสามเดือนระยะเดือนหนึ่งอะไรก็ตามมันก็ต้องมีจุดมุ่งหมายในะจุดประสงค์ไม่ใช่ว่าทำทำไปสักแต่ว่าทําถ้าทําอย่างนั้นถึงจะทํากี่อย่างกี่เรื่องกี่เรากี่เดือนกี่ปีก็ไม่ไม่เป็นผลดีสําหรับผู้ทํา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 ผลทำไมไม่ออกมาแต่เราไม่ได้มองเหตุว่าการกระทําของพวกเรานั้นสมเหตุสมผลหรือเปล่าอันนี้พวกเราจะต้องพบทวนทุกทุกองะพบทวนในการกระทําคือเหตุถ้าเหตุเหมาะสมเหตุดีแล้วผลมันก็จะต้องออกมาตามเหตุนั้นๆอันนี้คือหลักของพระพุทธศาสนา หนีกันไม่ออกลักเขตและผลเนี่ยตัวนั้นพวกเราอันดับแรกพวกเราก็ตั้งอกตั้งใจเป็นพระแล้ก็เป็นพระป่าพระกรรมฐานด้วยแต่จุดมุ่งหวังนะคือบางคนบางท่านก็ยังไม่เคยบวชบวชมาเพื่อทดแทนบุญคุณบิดามารดานะทดแทนท่านผู้มีพระคุณหรือยังไม่เคยบวชในพระพุทธศาสนาเลย อยากจะเข้ามาบวชเป็นชีวิตหนึ่งในชีวิตที่ผ่านๆม า, าเป็นผู้ชายนับถือพุทธาศาสนาแล้วไม่ได้บวชมันก็ขาดอยู่เพราะนั้นอยากจะบวชศึกษาธรรมะสักช่วงระยะหนึ่งสามเดือนสี่เดือนหรือมากกว่านั้นก็ตามอัตยาศัยความเหมาะสมในี้พวกเราก็คงจะลักษณะอย่างที่ว่านี้แหละแต่ว่าเมื่อเข้าบวชมาแล้ว อันดับแรกก็ครูบาอาจารย์หรือพระพี่เลี้ยงจะแนะนําอย่างไรจรึงจะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดอันนี้คือพี่เลี้ยงต้องต้องให้ต้องแนะนําเพราะฉะนั้นผมก็ให้พระที่เป็นพี่เลี้ยงรุ่นเก่าพอจะให้เทปหรือหนังสือธรรมะอันไหนควรจะให้ศึกษาก็ขอให้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 พวกเราต้องได้คิดกันแนะนําในเมื่อพระใหม่ก็เหมือนกันเมื่อได้เทปหรือได้นังสือไปแล้วก็พยายามอ่านพยายามศึกษาให้เข้าใจจากนั้นก็ลงมือปฏิบัติแต่ผมเองผมก็ไม่อยากจะแนะนําหมู่พวกเพื่อนให้อ่านหนังสือจนเกินไปและก็ฟังเทป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 แสงสว่างมีแล้วก็ศึกษาแต่เราไม่ไม่ใช่ว่าอ่านจบให้จบเป็นเล่มเป็นเล่มไปอย่างนั้นอ่านพอรู้แนวทางแล้วก็จบแต่ถ้าหากว่าอยากจะให้คิดเป็นเปอร์เซนต์ออกมาทั้งเทบทั้งหนังสือถ้ า, าว่าแบ่งเป็นสามนะผมอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนปฏิบัติหนึ่งสองเปอร์เซนตให้การศึกษาและฟังเทพเนี่ยหนึ่งเปอร์เซนเพราะว่า ในโอกาสอย่างนี้พวกเราหาได้ยากที่เขามาบวชแล้วอยู่ในสถานที่ที่สงบสงัดและอยู่ตามลำพังพร้อมที่จะศึกษาในภาคปฏิบัติให้มากกว่าการศึกษาปริยัตเพราะปริยัตที่จะศึกษาตามเทปตามหนังสือนั้นเมื่อเราศึกออกไปเป็นครวาเราก็พร้อมที่จะศึกษาได้แต่ที่จะได้ศึกษาปฏิบัติทางจิตภาวนาอย่างพวกเราอยู่ขณะนี้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 ช่วงที่เราศึกษาเนี่ผมอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนเน้นหนักในภาคปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวานาให้ต่อเนื่องแต่ละวัน24ชั่วโมงเนี่ยเราจะนั่งปฏิบัติหรือภาวานาเนี่ยจะกี่ชั่วโมงพยายามทำให้ต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆ เ, เป็นชั่วโมงกี่ชั่วโมงการดูหนังสือ ฟังเทพกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงเนี่ยอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนแบ่งเวลาการศึกษาทั้งประยัทั้งปฏิบัติประหยัดคือการเ ร, เรียนรศึกษาดูตำรับตำราดูแผนที่ปฏิบัติแปลว่าเดินตามแผนที่ที่เราได้ศึกษาดีแล้วได้ฟังเทปได้อ่านหนังสือเป็นที่เข้าใจ นั่งสมาธิทำอย่างไรเดินจงกรมทำอย่างไรพิธีปฏิบัติเออบื้องต้นพวกเราก็รู้แนวทางพอสมควรแล้วแล้วก็ลงมือปฏิบัติจากนั้นออมีอะไรเราก็ได้ศึกษาว่ามันเป็นยังไงในการประพฤติปฏิบัติผลมันออกมาอย่างไรและการพิจารณาทางวิปัสสนา เป็นอย่างไรอันนี้คือผลแห่งการปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติเท่าก่อนผลก็จะไม่เกิดมีแต่เป็นแผนที่อยู่อย่างนั้นล่ะอืดูมีแต่ดูแผนที่อยู่ยงั้นไปไม่ถึงไหนว่า ง, งั้นเถอะเพราะนั้นอยากจะให้หมู่ก้าวเดินในภาคปฏิบัติลงก้าวเดินเลยนั่งสมาธิเอาจริงเอาจังภาวนาจริงจังเดินอย่ากลมจริงจังพอเราได้บวชเข้ามาแล้ว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 ให้ถามตัวเองจึงเป็นผู้ตั้งใจเป็นผู้ไม่ประมาทการยืนการเดินการนั่งนั่งนอนให้มีสติาการมีสตินั่นแหละคือการทำความเปลี่ยนถ้าขาดสติเมื่อไรเมื่อนั้นแปล ว, ว่าขาดความเพลียนเพราะนั้นอยากจะให้หมู่เพื่อนพยายามตั้งสติให้บ่อยให้สม่าเสมอให้ต่อเนื่อง เวลาสนทนาพูดคุยก็ให้มีแต่อย่าให้มันพุ่มเพื่อมากไม่ใช่ให้ค้นทางนั้นเป็นค้นทางออกไม่ใช่ว่าเข้ามาอยู่วัดแล้วไม่มีทางออกมีแต่เรื่องคุยอันนั้นเป็นทางที่ไม่ถูกต้องผิดเมื่อพุทธประสงค์ผิดแนวทางของครูบาอาจารย์ผิดกฎระเบียบของวัดของเราอีกต่างหากผมไม่ส่งเสริมที่จะให้ออกทางนั้น อยากจะให้หมูพวกเพื่อนภาวนาอยู่ตามลำพังอยู่ในสถานที่สงบเป็นเอกเทศจะได้ดูจิตดูใจของพวกเราขณะนี้เราคิดเรื่องอะไรอะไรที่มาเกี่ยวข้องมีสติสติในแนวความคิดเพราะนั้นถ้าว่าเราสติเราดีแล้วทันในความคิดถึงเราจะไปอยู่ในสถานที่ใดก็ตาม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 หน้าของกิเลสที่มันมาแทรกสิงในจิตใจของเราเรารู้ได้เอออันนี้มันมาอย่างไรทำไหมความเข้มแข็งของเราต่อสู้อยู่ตลอดเนี่ยผมว่าเป็นมันจะเป็นผลดีสำหรับพวกเราตลอดไปนะเป็นผลดีสำหรับพวกเราตลอดไปเพราะนั้นอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนทุกองค์ให้เร่งความภาคความเพียร บวชเข้ามาทั้งทีอย่างน้อยก็ให้จิตสงบที่เห็นว่าจิตสงบนั้นคืออะไรถ้าจิตสงบเป็นหนึ่งแล้วผมเชื่อเหลือเกินเชื่อในปัญญาเชื่อในศรัทธาเชื่อในความเชื่อของพวกท่านทั้งหลายนั่นแหละว่าบาปบุญนรกสวัสด์มีจริงแต่เดี๋ยวนี้พวกเราทำจิต จิตของเราไม่เคยสงบจิตของเรายังแยกไม่ออกว่าร่างกายคืออะไรจิตใจคืออะไระฉะนั้นถ้าว่ามีคนมาพูดขึ้นมาว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญอย่างเนี้ยพวกเราก็จะเคว้งคว้างไม่มั่นใจว่าตายแล้วสูญหรือตายแล้วเกิดอะไรกันแน่นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่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 ก็ไม่กล้าที่จะพูดอย่างนั้นมันต้องเป็นอุปนิสัยแต่และบุคคลถ้าว่าเป็นบุคคลคิด ป, ปิญญาที่มีบุญวาสนาเก่าแก่อืสั่งสมบัลมีมามากเกยฝึกหัดทางจิตภาวนามาอย่างโศกโศนเป็นชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วพร้อมที่จะได้สําเร็จมรรคผลก็ไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าตั้งใจเท่านั้นก็รู้แล้วเพราะมีอุปนิสัยเก่า จากนั้นก็ภาวนานะอย่างนี้อย่างนี้พิจารณาอย่างนี้อย่างนี้ก้าวตามที่ผู้แนะนําให้เดินตามแถวแห่งการปฏิบัติการพิจารณาอันนี้เป็นไปได้แต่โดยมากที่เห็นๆพวกเราเกิดสุดท้ายปลายแดนก็โดยมากจะเป็นทันทาพิญญาหนมากกว่าเพียงจะทําจิตให้สงบเท่านั้นก็ยังถูกไถ่ไม่ต้องพูดถึงทางวิปัสสนา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 ไม่รู้กระทั่งว่าจิตสงบคืออะไรตัวเองงๆพิจารณาคืออะไรผลออกมาอย่งไรเหตุเป็นมาอย่างไงถ้ามันโง่ถึงขนาดนั้นแล้วก็มันก็สุดวิสัยที่จะแนะนำว่าผลแห่งการปฏิบัตินั้นจะเลิศเลยถึงผู้จะบอกว่าให้ตั้งใจทนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าว่าทําสมาธิสก่อนก็ไม่เกิดประโยชน์เช่นเดียวกันเพราะมันยังห่างไกลที่จะตั้งต้นเสียแล้วแต่ถึงยังไงก็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 หรือหายใจเข้าพุโทโธหายใจออกธรรมโมหายใจเข้าพุโทโธหายใจออกธรรมโมก็ได้ไม่ผิดก็ข้อสําคัญให้มีสติสรุปแล้วก็คือให้มีสติในตัวกําหนดนั้นๆอในเมื่อมีสติแล้วกําหนดพื้นฐานแห่งความสงบ พ, พื้นฐานแห่งกรรมฐานแล้วใครเป็นคนรู้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 อมันไปแล้วมันไปตามสัญญาเก่าแล้วแต่้ว่าเราสติของเราเข้มแข็งเป็นยังไงบังคับให้อยู่กับจุดที่เราต้องการคือพุโทโธพุธโทโธอารมณ์ทั้งหลายมันก็ไม่เข้ามามาหาจุดนั้นไม่ได้เพราะเรามีสติเราบังคับหรือเรามีสติอยู่จุดนั้นอยู่แล้วอันนี้คือการบังคับจิตให้อยู่กับกรรมฐาน อในเมื่อจิตของเราเป็นพื้นฐานสงบพอสมควรไม่ใช่ว่าจะสงบนิ่งจนไม่มีอะไรเลยซะก่อนอย่างพิจารณาก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่จิตสงบเป็นหนึ่งใกล้เ้าว่าเข้าขายแล้วว่าดูกระดานใช่ไหมเเพียงแต่ให้จิตสงบกับกรรมฐานที่เราได้กําหนดแล้วอืจิตใจนิ่งพอสมควรไม่มีอารมณ์เป็นอื่นจากนั้นก็นํามาพิจนารณาอืนําจิต ที่มันสงบเป็นพื้นฐานมาแล้วพิณาทางวิปัสนาอย่างวิปัสนาเ่ยพิณาดูร่างกายของเราเนี่ยะเจสาโลมานาขาธันตาตาโจรอาการสามสิบสองของร่างกายเนี่นั น, นี้คือหินรับปัญญาพิณาเป็นาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็ได้ทั้งนั้นแหละสรุปแล้ว คือตัวผู้รู้คือตัวใจของเราเนี่ยอมันวอกแวกกับพยายามให้สงบในเมื่อสงบแล้วที่พวกเราหลงทุกวันนี้มันหลงอะไรคือหลงสังขารหลงร่างกายของตนเองคนที่หลงร่างกายตัวเองว่าจะไม่แก่ว่าจะไม่เจ็บว่าจะไม่ตายเมื่อหลงตัวนี้แล้วเมื่อกลหลงตัวอื่นไปหลายๆแห่งหลงทรัพย์สมบัติหลงเออผู้อื่นผู้หญิงผู้ชายออ อะไรเป็นหลงไปหมดยศถาบรรดาศักอะไรหลงไปหมดแต่ถ้าว่าไม่หลงร่างกายร่างกายอันนี้มีอะไรบ้างมีเนื้อมีหนังมีเอ็นมีกระดูกมีแต่อสุภะอาสุพังเต็มไปหมดเมื่อเรารู้เท่ารู้ทันตัวนี้อยู่แล้วตัวความหลงตัวอื่นๆนที่ปู่ย่าตาทวดของความหลงทั้งหลายเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเข้ามา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 ไม่ยึดไม่เกาะไม่ติดจะไปเกาะไปติดทำไมเพื่ออะไรเพราะเราเราได้พิจารณาแล้วร่างกายนี่เกิดมาจากไหนแล้วจุดจบของร่างกายนี่คืออะไรเราพิจารณาย้อนไปถึงจุดเกิดเราเคยเห็นคนแก่ไหมเราเคยเห็นคนเจ็บไหมเราเคยเห็นคนตายไหมเราเคยเห็นกระดูกคนตายไหม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 ลงเอ่ยกันอย่างนั้นเป็นกระดูกอย่างนั้นเว้นเสียจะเอาไปเข้าหงซุยหงซีก็เป็นกระดูกนอนอยู่อย่างนั้นจบแปลว่าเมื่อมีชีวิตอยู่ตั้งแต่เล็กจนเข้ากุกก็เหมือนตัวละครออกมากระโดดเต่นแรงเต่นกามีหัวโขนเป็นเสนาเป็นพญาเป็นอะไรสุดแท้แต่เขาจะแต่งตั้งขึ้น อย่างพวกเราคนเดียวนี่ก็เป็นพระ<อ>แบบพระฤาษีอยู่ในป่าอย่างนั้นเถอะฮวิชากิดพนในสื่อก็เก็บ então, เก็บการเล่นนะครจบจบฉากในลักษณะอย่างนั้นอันนี้จิตใจของเราพิจารณาดูสิให้เห็นตามสภาพตามความเป็นจริงแล้วมันจะมีอะไรกิเลส ต, ตัวไหนที่มันจะพยองพองตัวว่าข่าในสำคัญกว่าคนอื่น ค่าในเนื้อกว่าคนอื่นค่านี้ต่ำกว่าคนอื่นในความเป็นจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นแต่บุญวาสนาบารมีในการเป็นอยู่นั้นอันนั้นเราต้องวางตัวให้ถูกการเทสะบุคคลแต่ส่วนธรรมะส่วนลึกเข้าไปแล้วออมันต้องเหมือนกันทั้งหมดเราต้องแยกให้ออกสมมุติออพระสูตรพระปรมา พระวินัยพระวินัยพระสูตรพระปรมัติเราไม่เอาพระวินัยมาแย่งกับพระสูตรไม่ใช่เอาพระสูตรมาตัดพระปรมัติคือปรมัติก็คือพระปรมัติพระสูตรก็คือพระสูตรพระวินัยก็คือพระวินัยเราต้องแยกให้ออกถ้าเราแยกไม่ออกยุ่งทั้งหมดพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ยุ่งถ้าเราแยกไม่ออก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 ทำไมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทำไมขัดแย้งกันอีกสิ่งเหล่านี้ในเมื่อผู้ปฏิบัติศึกษาให้ถ่องแท้จะรู้ได้อันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรอันนั้นคือพระ ส, สูตรอันนี้คือพระประมตติปฏิเสธทาง จ, จิตใจอันนั้นคือพระ ส, สูตรก็ต้องได้พึ่งพาอาศัยตนแลไปได้พึ่งของตนโกหิหนาโถปรุยา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 แต่เมื่อเราเข้าไปภาวนาอยู่ตามลำพังเราปฏิเสธสมมุติทั้งหมดว่าไม่ใช่ตัวตนของเรามันไม่ใช่จริงๆริงจะว่าอย่างไรแต่เมื่อเราออกมาอยู่ธรรมดาเราก็ต้องทำให้ถูกกับโลกสมมติเขาทั้งหลายเพราะการอยู่ร่วมกันเราจะเอาในขณะที่เราภาวนามาปฏิเสธอันนั้นไม่ถูกต้องผิดผิดหลักเอาพระปรมัติมาขัดพระสูตร เอาพระสูตรมาขัดพวินัยอืมมันคนรัเรื่องกันดังนั้นพวกเราต้องแยกให้ออกอย่างคนโง่โง่าร่างกายชังขานไม่ใช่ตัวตนของเรานะไอ้หนึ่งกูเถียงโบเวขึ้นมาถ้าไม่ใช่ตัวของแกเอข้าจะตบสักทีได้ไหมอันนี้มันพูดอย่างนั้นแ่ะลักษณะที่ผมพูดทั้งสามอย่างก็ลักษณะเดียวกันอืมแต่บางส่วนลึกแล้ว ใครว่าเป็นตัวตนของเราถ้าเป็นตัวตนของคุณจริงๆคุณจะให้แก่ให้เจ็บให้ตายได้ไหมปฏิเสธไม่ได้ตายด้วยกันทุกคนในเมื่อปฏิเสธไม่ได้อย่างนั้นจะเป็นตัวเราได้อย่างไรมันเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงทุกครั้งเป็นทุกอนาตตามไม่ใช่ตัวตนของเราประลงจบจุดนั้นแต่ถ้าหาว่าคนที่ไม่รู้เราจะเอาพวินัยมาใส่พระสูตรพระสูตรใส่พระอภิธรรมไม่ได้คนเรื่องกันเพะนั้นในภาคปฏิบัติของพวกเรา ในการนั่งสมาธิก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละในนั่งภาวนาส่วนตัวให้พิจาฏิาส่วนตัวให้อิเรณาคืออะไรได้มารยา่างไรแล้วจาไปา่างไัวให้พิจารณาส่วนตัวให้พิจารณาส่วนตัวพิจารณาส่วนัวน้พิมันเห็่นทั้งต้รนทั้งปลายสุวนล้วมันก็จาต้องเกนดัวพารเบื่อนตหากไม่วนตัว้องเบื่อน้อยัยไม้คลายมาสมันก็ว้องจารา่น้อิมันเาื่วเห็นตามค่วาตเป็น้ริงแล้วนตัวใม้พาระาะไรจริงๆ พอมันตายแล้วมีตะกระดูกแล้วทีนี้อะไรใจของเราที่ยึดครองร่างกายมันจะไปที่ไหนทีนี้เมื่อออกจากร่างไปแล้วมันก็เป็นนา ม, มะธรรมนา ม, มะธรรมตัวนี้แหละเป็นตัวที่ใหญ่มากพาไปก่อพบกอะชาติพาไปเกิดปฏิสนธิในสถานที่ต่างๆต่างาไวจิต ด, ดวงนั้นเป็นพระโสดาเกาไปเกิดภพภูม สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทพชั้นใดชั้นหนึ่งภูมิชั้นใดชั้นหนึ่งอคือไม่ตกนรกหรือมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าว่าจิตดวงนั้นยังไม่เป็นอริยะบุคคลยังเป็นปุถุชนอยู่ก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแปลผันไปได้หลายอย่างเหมือนกันเพราะกรรมคือการกระทําเป็นผู้กําหนดให้พาไปถ้าตามกรรมชั่วกะมชั่วก็จะพาไปตามขั้นตอนนั้นๆไปเกิดเป็นสัตว์ที่รชานเป็น ชางม้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่ไปได้ทั้งนั้นแหละวิญญาณตรงนี้เพราะนั้นถ้าพิจารณาดูแลเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากมเพราะนั้นท่านจึงไม่ให้ประมาทเมื่อเรายังมีชีวิตยอยู่วควรจะสร้างคุณงามความดีไม่ควรจะประมาทนอนใจจนเกินไปเพราะชีวิตของเราก็ดูแล้วก็ไม่เห็นจะยืนนานสักเท่าไหร่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 ไฟต่ำไปทางกิเลส ก, ก็ควรจะฝืนสู้ในสิ่งที่มันไม่ดีไม่ควรจะทำในสิ่งเหล่านั้นพยายามเดินให้เป็นที่ยอมรับทั้งกฎหมายบ้านเมืองทั้งศีลธรรมอันดีงาม ừ, การอยู่ร่วมกันชีวิตของเราก็จะได้รับความร่มเย็นผ้าสุข <ừ. S 1> ไปเรื่อยๆแต่ทางเราทำ เดินผิดที่ผิดทางความหายาะก็จะเข้ามาสู่พวกเราออย่างแน่นอน่ะไม่ต้องสงสัยพราเราทําผิดคนอื่นก็เดือดร้อนตอนเองนั่นแหละเดือดร้อนก่อนเอแล้วก็พวกอื่นเดือดร้อนจากนั้นมันก็ไม่ใช่ร้อนตากายมันร้อนใจด้วยใช่ไอมเมื่อแตกกายทําลายขันไปแล้วกรรมชั่วของตนได้กระทามันก็ เขามามีบทบาทล็อกใจของพวกเรานะั่นน่ะเหมือนกับดินประสิวนะ่ะออส่งลูกกุศลไปทางวันบาปกรรมมันเยอะมันก็ส่งไปได้ไกลถ้าบุญกุศลมากมันก็ส่งได้ไกลยอยีกเหมือนกันถ้าว่าเราบาปว่ากุศลมากมันก็ส่งนรกหลุมไหนหอ่ะหลุมลึกที่สุดมันงั้นเถอะ ม, มันส่งไปแต่ถ้าว่าเรา ภาวานาจิตใจของเรา ใ, ให้ทานรักษาศีลภาวานาเป็นบุญกุศลมากมายมก็เป็นดินประสิวหรือบุญกุศลในเป็นพลังก็ส่งจิตส่งใจของเราไปให้สูงส่งที่สุดไปเกิดเป็นพรมอไปอยู่พรมชั้นต่างๆจากนั้นก็สวรรค์ชั้นต่างๆถ้าว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่เป็นบาปใยเสียจิต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 ดูให้ดีมองให้ดีถ้าว่าจิตใจเป็นธรรมจิตใจมีเหตุมีผลจิตใจมีธรรมะแล้วจะมองเห็นได้ชัดในสิ่งเหล่านั้นถ้าหาว่าจิตใจของเรามืดมนอนทะการด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วจะมองไม่เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นของธรรมดาสิ่งนั้นถูกต้องแล้วออแต่คนอื่นที่เขามองเห็นเราขยะขยงัอ่อก็อากก็อวนเต็มทนแต่ตัวเองนั้นมองไม่รู้มองไม่เห็น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 ควรจะสำเหนียกสำนึกทบทวนพิจารณาให้ดีอย่าไปทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องควรจะทำในสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยมีเหตุและผลเหตุและผลนั่นแหละคือธรรมธรรมคือความถูกต้องธรรมคือเหตุผล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 ต้องคำนึงอกความถูกต้องนั้นคืออะไรพร น, นั้นการกระทำให้มันถูกต้องนะคือเป็นธรรมเป็นธรรมเป็นวิถีเราพุทธาศาสนาท่านสอนให้เรา ท, ทุกท่านเป็นคนดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมถ้าหากว่าเป็นสิ่งชั่วแล้วไม่ควรทาตายก็ยอมตาย ตายพบความดีแต่ทางโลกเขาไม่ว่าอย่างนั้นนะตายจริงๆมันงันเถอะแต่ในทางของพุทธศาสนาในทางของพระแล้วท่านให้เสียตลาดถึงขนาดนั้นเพราะเป็นแนวหน้าเพราะเราเป็นพระยกตัวอย่างให้ฟังพระในครั้งพระพุทธเจ้าของเราเกียวพระติดสะติดสะมีหลายองค์นะสริบุตรก็ติดสะเหมือนกันแต่ก็ติดสะที่ วินธบาติไม่พอฉันก็ติดสระว่าติดสระส ม, มเนิยติดสะนี่ก็มีอันนี้ก็เป็นพระเป็นพระติดสะองค์หนึ่งท่านบวชเข้ามาแล้วท่านก็ภาวนาของท่านท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็มีโยมอุปถาตท่านก็ไปบินธบาตการคุ้นเคยไปบินธบาต ท, ที่บ้านของของเขาเป็นประจำ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 ที่จะฉันนั่นอ่ะ ส, สามีพัญญากำลังเริ่มทำอาหารคุกครักอยู่ในโรงครัวสามีก็กำลังทำเนื้ออะไรก็ไม่รู้นะที่ไปจา่จายจัดตลาดมาทีนี้คนของพญาประสินที่โกศลเขาเอาเผ็ดเม็ดหนึ่งมาเผ็ดเม็ดนั่นก็จะมีราคามากพอสมควรเหมือนกันเถอะเขาก็เรียกยอในช่าง นี่เพชรของพระเจ้าปเสนขอให้เจียละในอย่างนั้นในงั้นอธิบายเสร็จแล้วแต่ในช่างก็ไปทำอาหารอยู่ในครัวมือยังเปื้อนเลือดอยู่ก็เขาก็เลยเอามือเกอะเพชรเม็ดนั้นอรับรับเพชรเขาพอรับเพชรเสร็จแล้วก็มาวางไว้นี่มีโซฟาตัวหนึ่งอยู่ข้างหน้าก็วางเพชรเม็ดหนึ่งลงในนั้นพระธีระก็นั่ง นั่งอยู่นั่งอยู่ีกตรงข้ามอีกข้างหนึ่งแต่นี่ก็มีนกกระเรียนตัวหนึ่งนกกระเรียนเขาเลี้ยงไว้ในบ้านนะเดินจกศกเจ็บเข้าไปในห้องไปไปที่นู่นที่นี่บ้างตอนนี้มันก็ไปไปเห็นเพชรเม็ดนั้นเอ่มันก็ดูแล้วมันก็มีเลือดติดอยู่ที่นี่พราะเลือดในช่างแก้วเขาไปทําอาหารในครัวแล้วมารับเพชรไปวางไว้ที่นั่นพอจากนั้นไงนกกระเรียนตัวนัน้นก็งับแก้วตัวนั้น งับเพชรนะมันถูกปินเลือดเนี่มันเกิดกลืกลกลนลเข้าไปในท้องพอกลืนเข้าไปในท้องถึงี้พระเทเรนั่งโอโหตายทําังไงวะถ้าจะหาบอกว่าเพชรเม็ดนั้นน่ะนกกรเรียนกินนะอย่างเนี้ยนายช่างเขาก็จะต้องฆ่านกกรเรียนทันทีเพราะเพชรเพชดนั้นราคามมหาศาลแล้วจะทํำยังไงท่านก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะทํำยังไงผลที่สุด นายช่างก็เขาก็เข้ามาล้างมือเสร็จแล้วเขาก็เข้ามาก็มาเอา้าพระกุนท่านเพชรเม็ดนี้ไปไหนท่านก็ไม่พูดเอา้าเพชรเม็ดนี้ไปไหนไม่พูดเอา้าท่านเอาแล้วเหรอนี่ท่านเอาเพชรผมใช่ไหมท่านก็ไม่พูดผลที่สุดนายช่างเพชรโวยวายขึ้นมาบอกพัญยาผลเนี่ยสมณะองเนี่ยขโมยเพชรของเราไป เรามาวางไว้ที่นี่แท้ๆไม่มีใครเลยมิตระพระองค์นี้อยู่องคเดียวน่ะขโมยไปพันปัญญาบอกว่าไม่ใช่อย่าไปปักปวาเลยพราะคุณท่านเราจะเห็นแต่ท่านมาแต่ที่แรกแล้วท่านก็เป็นผู้มีมารยาทที่ดีเออท่านจะทําอย่างนั้นไม่ได้ปัญญาห้ามขนาดไหนก็ยอมไม่ยอมฟังบอกว่าพวกเรายอมเป็นทาสของพญญาปเสนดีกว่าไม่จําเป็นจะต้องไปบีบคั้นให้ท่านรับ ว่าท่านเป็นคนเอาฉันเชื่อท่านว่าท่านไม่เอาแน่ๆท่นี้ฝ่ายผู้ชายไม่ยอมไม่ได้พระเอาแน่ๆไม่มีใครอยู่ที่นี่เยเราขอวางไว้ที่นี่มันจะไปไหนวะเพชรมันไม่ใช่มีขานี่ยว่าผลี่สุดเกิดพัญญาพูดไม่ฟังพัญยาห้ามยังไงก็ไม่ฟังบอกว่าเราเป็นยอมเป็นทาารับใช้พระยาประสเสนทั้งครอบครัวจะดีกว่าที่จะไปลังแก่พระเถระองค์นี้ เขาไม่ยอมโผล่สูกคสามีก็ จ, จับเอาเชือกมาเส้นหนึ่งมาก็ขันหัวพระอะไรอย่งั้นเถอะจับขันแบบขันสนอเนน่ะพอใส่เข้าไปก็เอาไม้สอดเข้าไปข้างห น, นึหมุนหมุนแบบขันสนอแบบช่างทาสีเขาขันไม้ไผ่ขึ้นทาสีอย่างนั้นน่ะอขันขันขันขันจะได้พระถีละลก่ ท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงท่านนอนให้ขันแล้วต้องการขันเนี่ยท่านก็ไม่สู้ไปว่าอะไรต่้งกับพารณาว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวตนของเราตายก็ตายทําไงทีนี้ก็เลือดแตกหัวศีรษะมันก็แตกเป็พวกขันเข้าแรงพอแตกเข้าไปนกกระเรียนมันก็วิ่งเข้ามาเข้ามามันมันได้ถูกกลิ่นเลือดใช่ไหมมันก็มามันจะมาจิกกินเลือดช่างเพชรนี่มันก็โมโหเนี่ยช่างแก้วเนี่ย ช่างเจรนายเนี่ยมันก็โมโหยนกกเรียนเตียนเตะทั้งแรงแล้วงานใส่ปั้งนกเกเรียนนกกระเรียนกระเด็นถูกว้าเลยอตายนกกระเรียนนกเกเรียนตายแล้วนเตะทั้งแรงพระเถระก็เลยบอกว่าเอ้ยยมเดี๋ยวเผาเผอเล็กน้อยใช่ไหนกกเรียนมันตายแล้วยังเอันนั้นก็โมโหขึ้นมาอีกไม่ต้องดูนกกเรียนเดี๋ยวกันมันจะตายเหมือนกันนั่นแหละก็นกกรเรียนนั่น ไม่ไ ม, ไม่เดี๋ยวเดียวให้ดูซะ ก, ก่อนว่านกกระเรียนตายหรือเปล่าใครๆออกซิ่งเดี๋ยวธรามีคําพูดอยู่โกงก็เล็ดตายตายไปดูซิวมานกกะเรียนตายหรือเปล่าเขาก็บอกโอ้ตายท่านก็เลยบอกความจริงเข้ามาบอกว่านี่นะโยมโยมไปทําอาหารน่ะมือเปื้อนเลือดแล้วไปรับเพชรจากคนที่มาส่งเพชรเพชรเชรม็ดนั้นเอาวางไว้ที่นั่นนกกระเรียนตัวนี้นะ่ะกินกินเพชรเม็ดนี้ แต่ถ้าหากว่าโยมนะนกกระเรียนตัวนี้ยังไม่ตายอาตมาพูดไม่ได้อัตมาจะไม่พูดชีวิตของเขากับชีวิตของเรามีคุณค่าเท่ากันเพราะนั้นอาตมาจะไม่พูดเพราะนั้นเดี๋ยวน้กกระเรียนตายแล้วสาแหลผ่าดูได้เม็ดอยู่ในท้องมันนั่นแหละทีนี้นายช่างเจรนายเพชรก็รีบผ่าท้องมันทันทีพอผ่าท้องเสร็จแล้วเห็นนะทนี้ เห็นเพชรเม็ดหนึ่งอยู่ยข้างในท่านก็โอ้ขอโทษขอกรอยใหญ่เลยขอพระคุณเจ้าจึงให้เอาโหสิแก่ผมด้วยท่านก็เออเอาเรายินดีให้เอาโหสิแกนนในช่างและครอบครัวแล้วกขขอให้พระคุณเจ้ามาบินทบาตมาฉันที่บ้านของผมเหมือนเดิมแล้วผมจะเป็นผู้อุปถัปร ะ, ประท่านบอกว่าอันนั้นเราไม่รับเราเห็นโทษแล้วเราเห็นโทษในการเข้ามา ในชายคาของบ้านของชุมชนมีแต่โทษตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะบินธบาตอาศัยปีแข่งของเราเท่านั้นเราจะไม่เข้าไปชายคาของผู้อื่นอีกจนตลอดชีวิตอันนี้คือพระลหันนะท่านไม่ได้อาคาดแก้ไขแต่ว่าท่านเห็นโทษเ อ, อีเห็นโทษในการเข้าไปในชายคาของชาวบ้านเ อ, อีมันเห็นโทษคือพอเห็นโทษแล้วยอมแล้วเออมันเป็นเรื่องคาดไม่ถึง จต่นั้นท่านก็เลยไม่เข้าไปในหมู่บ้านอีเลยบินทบาทเลี้ยงชีพตามวัตภาพด้วยปีแข้งของท่านเองจากนั้นมาท่านก็ไม่นานก็ปรินิพานเพราะว่าการเก็บบอบช้ำที่เอาเอ า, เอาสนอะเหล็กเอาเชือกขันศีรษะของท่านต่นีีพระสงฆ์ทั้งหลายเมื่อท่านนิพานไปแล้วก็มีคนถามว่า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 มีความเชื่อในพระเถระมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ต่อมานายช่างแก้วก็เห็นโทษในการกระทำของตนเองแต่ถึงยังไงก็ได้ละลาบละล่วงได้ทำเกินจนเกินในจิตในช่วงนั้นเป็นบาปอกุศลอย่างเต็มที่แล้วก็ต้องไปสู่บาปกรรมซะก่อนจนกว่าบาปกรรมตัวนั้นจะให้ผลเต็มที่แล้วน่ะเขาจึงจะได้มา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 ต้องคำหนึ่งหรือความถูกต้องนั้นคืออะไรผล น, น, นั้นการกระทำให้มันถูกต้องนะคือเป็นธรรมเป็นธรรมเป็นวิถีเราพุทธศาสนาท่านสอนให้เราทุกๆท่านเป็นคนดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมถ้าหากว่าเป็นสิ่งชั่วแล้วไม่ควรทาตายก็ยอมตาย